สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยบา น, นะครับเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคำในกฎที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลนะครับก็คือกฎข้อที่14ครับของหนังสือ20กฎทองคำของศา ส, สนาจารย์ดรฟิลิปเทงครับพี่น้องครับในหัวข้อประเด็นนี้เป็นประเด็นที่5ที่เกี่ยวข้องกับขแขนงที่จะต้องอยู่กับเถานะครับ ขแนออจะจะออขแนงที่ออกผลจะต้องถูกชำระให้สะอาดจึงจะออกผลได้แขนงที่ออกผลจะต้องถูกชำระให้สะอาดจึงเจอกผลได้นั่นมีความหมายว่าบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ก็คือสะอาดการถูกชำระให้บริสุทธิ์เป็นขบวนการหนึ่งพี่น้องครับท่านอาจารย์เทงนั้นได้อธิบายอย่างนี้ครับว่าพระเยซูนั้นได้ทรงตรัสกล่าวถึงความสะอาดอยู่สองประเภทด้วยกัน 2ประเภทด้วยกันนะครับพี่น้องประเภทแรกก็คือพระเจ้าทรงฤทธิ์กระบวนการการถูกชำระให้บริสุทธินั้นก็คือประการแรกคือพระเจ้าทรงฤทธิ์ในพระธรรมยอน์นบทที่ 15: ข้อสองพระองค์ได้ทรงตัดหรือฤทธิ์ทิ้งขแขนงที่ไม่เกิดผลนั้นพระองค์จะทรงตัดทิ้งหรือฤทธิ์เพื่ อ, อไม่ให้สิ้นเปลืองน้ำเลี้ยงครับไม่ให้สิ้นเปลืองน้าเลี้ยงของต้นไม้ พอน้ําเลี้ยงของต้นไม้จะไปถึงจะต้องเกิดผลแต่นี่ไม่เกิดผลถ้าต้นองุ่นนั้นมีขแขนงมากมายมีกิ่งมากมายนะครับผลมันก็ยิ่งน้อยลงครับนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องแน่นอนเป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้นเองจึงมีความจําเป็นมากที่จะต้องลิดหรือตัดขแขนงและใบออกเพื่อน้ําเลี้ยงของต้นองุ่นนั้นจะได้มุ่งสู่ผลครับ อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติการตัดกิ่งที่มีใบยเยอะๆออกมันก็จะเร่งทําให้เกิดผลและผลนั้นก็จะโตเ ช, ช่นเดียวกันกันกบการดําเนินชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องถูกลิดเพื่อชีวิตของเราจะบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นการลิด ต, ตรงนี้นะครับเป็นการลิดที่ทําให้การดําเนินชีวิตของเรานะครับในด้านจิตวิญญาณนั้น หลายครั้งทีเดียวเราจะมีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นเมื่อพระเจ้าได้ตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเราท่านศาสนอาจารย์ด็อกเตอร์ฟิลิปเทงนั้นได้ยกตัวอย่างครับตอนที่มูดี้ท่านอาจารย์มูดี้นั้นเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐและผู้นำการฟื้นฟูมาสู่ชาวอังกฤษและชาวอเมริกันท่านอาจารย์มูดี้นั้นเทศนาบ่อยครั้งเลยท่านใช้แว่นขยาย แว่นขยายนี้เป็นแว่นขยายที่ขยายความว่าเมื่อแสงสว่างส่องผ่านแว่นขยายที่ใหญ่ก็จะก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ร้อนแรงและทำให้เกิดการลุกติดไฟได้หลังจากนั้นแกก็เอาเศษกระจกที่แตกแยกมาสักชิ้นหนึ่งและทำให้เสียจุดศูนย์รวมแว่นขยายนั้นส่องยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์ครับคริสเตียนหลายคน ก็เปรียบเทียบเหมือนกับแว่นขยายที่มันมันแตกครับมันสูญเสียพลังของการขยายเมื่อสูญเสียของความพลังของการขยายนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ตอนอเด็กๆนั้นเราเล่นแว่นขยายใช่ไหมครับก็ทำให้กระดาษเผาได้เมื่อเราส่องกลางแดดเพียง ค, ครับ ชีวิตของเรานั้นหลายคนไม่เกิดผลไม่ถูกพระเจ้าใช้ก็เพราะเหตุนี้ครับเพราะสูญเสียโฟกัสสูญเสียจุดรวมไปเมื่อสูญเสียจุดโฟกัสไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยที่พระเจ้าใช้ได้เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์จรึงสําคัญครับความบริสุทธิ์นั้นเกิดจากการลิดครับการลิดคือการหรือกระบวนการการชําระให้บริสุทธิ์ ประเภทที่สองครับท่านศาสตาจารย์ดรฟิลิปแทนงันท่านได้เขียนหนังสือครับว่าการรับการชำระให้สะอาดคือการรับการชำระให้สะอาดนั้นเกิดในพระธรรมยอร่อนบทที่1 5บข้อสครับท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวแก่ท่านท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวแก่ท่าน องค์ผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงใช้ถ้อยคําหรือพระวจนะของพระเจ้าของพระองค์นั้นชําระเราทั้งหลายสะอาดลบล้างมนทินบาปหมดแล้วเราจึงจะเกิดผลมากได้พี่น้องครับในประเด็นนี้การถูกชำระให้สะอาดนั้นก็คือหลังจากที่พระองค์ทรงลิดลิดก็คือตัดแขนงและตัดใบออกตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเราแล้วพระองค์ก็ ชำระเราให้สะอาดเราจรึงจะเกิดผลมากและถ้อยคาหรือพระเจนะของพระเจ้านั้นเป็นเครื่องมือในการชำระครับชีวิตของเราหลายคนครับมีความบาปเป็นอุปสรรคของการเกิดผลการเกิดผลนั้นทําดูเหมือนมีมันก็เป็นผลที่ปลอมครับเป็นผลที่ไม่จริงเป็นผลที่หลอกลวงดังเอง คนที่จะเกิดผลในสายตาของพระเจ้าในสายต่อของมนุษย์ฝ่ายวิญญาณเขาต้องมีถ้อยคำของพระวจนะของพระเจ้าที่จะชำระเราชำระเขาให้สะอาดแล้วมันจะเกิดผลได้ครับจึงมีพระกัมพีเขียนไว้ในพระธรรมสุดดีบทที่119่รเ้าพระนะพระเจ้าเขียนว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร ก็โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์สุดดียบทที่119ข้อ9นะครับโปรดฟังอีกครั้งหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยการระแวดระวังทำตามพระวจนะของพระองค์พี่น้องรับการรับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นสำคัญมากและการลิศก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันครับหลายครั้งพระเจ้าลิศชีวิตของเรา พระเจ้าเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเราพระเจ้าเอาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงในบางครั้งพระเจ้านำออกจากชีวิตของเราเพื่อที่เราจะรับการชำระให้บริสุทธิ์หลายครั้งสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเล่นรู้วิสีใสบางอย่างของเราที่รู้สึกมีความพึงพอใจแต่มันกลายเป็นบางอย่างที่เสพติด แล้วทําให้แย่ง priority หรือการลําดับความสําคัญก่อนหลังแย่งความสําคัญเบอร์หนึ่งจากพระเจ้าไปพระเจ้าก็ริดครับพระเจ้าก็เอาบางสิ่งบางอย่างเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราและพระเจ้าก็ใช้พระวจนะของพระองค์ที่จะชาระเราเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราจะต้องตอบสนองหรือ r e レスปอนส์ครับกับสิ่งเหล่านี้ ก็คือว่าประการแรกครับเราต้องไม่ท้อแท้ใจเมื่อพระเจ้าทรงลิศเมื่อพระเจ้าทรงลิศทรงตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเราเราต้องมีกำลังใจและเราต้องเข้าใจพระเจ้าโปรดอย่างงอนพระเจ้าหรืออยาสะดุดเมื่อพระเจ้าเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเราสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เป็นการบังเอิญครับพี่น้องไม่ใช่เป็นการบังเอิญแต่พระเจ้า ได้ทรงมีพระประสงค์ที่ดีกับชีวิตของเราพี่น้องหลายท่านอาจจะอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอาจจะอยู่ในระหว่างการสูญเสียครับและเสียศูนย์ครับเสียโฟกัสของเราทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่เกิดผลเท่าที่ควรชีวิตของเรานั้นไม่สามารถไปจุดประกายนำความร้อนรนไปถึงผู้อื่นได้ชีวิตของเรารับใช้พระเจ้าแบบปลอมปอม พี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังกําลังถูกลิดอยู่ครับเมื่อเรากําลังถูกลิดถูกตัดใบแต่งกิ่งจากพระเจ้าชีวิตของเรานั้นก็ไปถึงสเต็ปที่2ก็คือเราเองนั้นจะต้องมีพระวจะนะของพระเจ้าครับคอยคุ้มครองชีวิตของเราคอยให้เราเห็นทางชีวิตของเราให้เรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้า ให้เรารู้พระประสงค์ของโปรง่งครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญเมื่อพระเจ้าได้ทรงฤทธิ์เราต้องใกล้ชิดพระวจนะครับเมื่อพระเจ้าทรงฤทธิ์เราเมื่อไหร่เราต้องเข้าใกล้ชิดพระวจนะของพระเจ้าและเราจะเกิดผลมากครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน